ก็ได้ฝังในความรู้สึกตัวหลายๆมิติชัดเจนขึ้นกับเดิมไหมชัดเจนขึ้นนะจริงเป็นเรื่องของธรรมชาตินะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิดมาเดินดูต้นไม้รอบๆบ้านทําไมมันสดชื่นดีเพราะอะไรต้นไม้ที่มันสดชื่นมันโตไวมันมีดอกมี ใบสวยงามไหมพออะไรพราน้ําม่แค่ถ้ามีปุ๋ยถ้าไม่มีนม้ำนะต้นไม้อยู่ได้ไหมแต่ถ้ามีนม้ําถ้าไม่มีปุ๋ยต้นไม้อยู่ได้ไหมอยู่ได้เ <laughs> พราะมีนม้ํากับดินเป็นหลักนะมันเป็นกฎของธรรมชาติใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าดินนั้นไม่มีน้ํำล่ะต้นไม้จะงดงามเขียวขจีไหม มีกายเนี่ยมันดินความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนน้าถ้าเขาอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยความเจริญงอกงามของชีวิตมันเป็นไปเองความสุขความเจริญงอดงามความสบายมันเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากเลยแต่ถ้าเรามีร่างกายแต่ไม่มีความรู้สึกตัวเป็นเรื่องเป็นราวหรือมีแต่น้อยดินทุกดินน่มันก็มีน้ำมานะ แต่มันจะมีเพียงพอไมมที่จะทำให้พืชเติบโตทุกคนก็มีความรู้สึกตัวอยู่แต่ว่ามีมากพอไหมจะทำให้ชีวิตนี้สงบเย็นชุม่มอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมอ่าตรงนั้นตรงนั้นดังนั้นในมิติต่างๆที่ท่านพูดมานะเพื่อเสริมให้เข้าใจให้เห็นความสำคัญของความรู้สึกตัวแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกตัวนี้มันไม่ชัดเห็นภาพไม่ชัด มันเบร์มันมัวเราก็รู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะทําแต่ถ้าสูงเราเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยซึ่งมันสามารถเก็บได้ทุกทุกนาทีเลยใช่ไหมทุกนาทีเลยไม่ว่าเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินมันเป็นความรู้สึกตัวทั้งนั้นเลยแต่เราจะเก็บหรือไม่เก็บนะใช่ไหมน้ําเนี่ยหาไม่ยากนะแต่ทําไมเขาถึงปล่อยต้นไม้ตาย เพราะว่าเขาไม่เห็นความสําคัญของต้นไม้ต้นนั้นแต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีความสําคัญนะน้ำอยู่ที่ไหนก็ขุดมาใส่ใช่ไหมเห ม, มือนแกันคนนั้นเห็นความสําคัญของชีวิตต้องสวงหา<ม>ตัวรู้สึกตัวนี้นแล้วชีวิตจะไม่หี่ยวไม่เหี่ยวแห้งไม่เหี่ยวแห้งตายไม่เฉาตา ย, าตายแต่ชีวิตส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้คนส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้ชีวิตเฉาใช่ไหมเป็นทุกข์เศร้าหมองใช่ไหมขับแคนยากจนยากไร้ เพราะขาดตัวนี้ตัวเดียวเหมือนต้นไม้อะใช่ไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าลังเลในการที่จะสร้างความรู้สึกตัวทวกพร้อมให้เป็นหลักของชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ฟังจากย์คงคิตก็เป็นภาพแจ่มชัดขึ้นหลายๆช่วยกันอย่างสมมุติโยมเข้าใจแล้วโยมวันหนึ่งโยมเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวโยมก็จะมีความสามารถในการที่จะชี้แจงภาพนี้เห็นชัดอีกเพราะโยมมีประสบการณ์ชีวิตมาสูง สูงกว่าปกทธมาอีกแต่ว่าถ้าบวกตัวนี้เข้าไปมากมากกว่าผู้ที่ปกทธมาเปอยู่นะโยมก็สามารถที่จะฉายภาพเหล่านี้ให้คนทั้งหลายได้เห็นเรามันน่าทึ่งใช่ไหมเพราะฉนั้นเก็บเยอะๆในการที่เราจะเป็นสื่อให้พระธรรมช่วยพระพุทธเจ้าให้คนมาเข้าใจสิ่งนี้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องเรืองรับซับซ้อนในวิธีการของราบเทเรียนเราจะไม่ได้พูดถึงความ หลากหลายของทฤษฎีตำราจิตวิยาปัญญาอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เราทั้งหลายเนี่ยเวลาต้องการที่จะเอาอยาสมุนไพรมาต้มเราก็เก็บๆมาแล้วก็ต้มไปกินใช่ไหมแต่ไม่รู้ไอ้ตัวนี้นประกอบด้วยะยาอะไรบ้างไ ม, ไม่ต้องนั่งวิเคราะห์ให้มันยากเลยอันนั้นเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่จะทํางันเหมือนกันเราไม่ต้องไปรู้ตำราทฤษฎีอะไรมากแต่รู้หลัก ที่มันเป็นธรรมชาติานี้แล้วก็ทำลงไปแล้วเหมือนกับเราดมยากินเลยหายโรคไปใช้ได้ส่วนมันจะประกอบเรื่องอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของความลา ง, ลางนี่จะเรื่องของภาพปฏิบัตินะเอาละสมควรแก่เวลาและกลับภาของกัน